อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นํารายการธรรมาราบุ ร, รุนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น6กข้ามเดือน11นะคะปีมะโรงค่ะก็พบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเคยนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดิฉันจะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟัง ที่จะสนทนาธรรมะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสากักกชากับท่านพระอาจารย์ภัยบูณภิบุโนพระอาจารย์ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเล้นตามพุทธโอษหรือตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีน่นเลยนะคะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภโซหรือท่านพระคุณสิทธิ์ที่ปรกรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะ เช้าเมื่อวานนี้เมื่อเช้าวันเสาร์นะค ะ, ะพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโ น, โนท่านได้เมตตามสาสักษาหรือสนทนาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของอาการกินเจแล้วท่านก็ได้พูดคุยในหลายประเด็นนะคะที่พระท่านผู้ฟังก็จํากันได้ว่าการกินเจนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะร้างร่างกายของเราทําให้เรามีสุขภาพดีขึ้นแต่พระอาจารย์ก็ฝากแง่คิดไว้ด้วยว่าในการที่เรากินเจเราก็จะต้อง คือทำความสะอาดกายแล้ว ก็ต้องทําความสะอาดใจด้วยไม่ใช่ว่าล้างแต่กายแล้วใจไม่ได้ล้างเรอขอบใจไม่สะอาดนะคะดังนั้นเช้าวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะข อ, อนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำมัสมัชการพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนค่ะแล้วก็รับฟังท่านสากชาว่าที่ว่าล้างใจนั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาของเราพระอาจารย์ภัยบุญจะหยิบยกพุทธวจนะหรือคําสอนบทใดขอ ง, ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการที่เราจะล้างใจของเราให้สะอาดหมดจดกันจริงๆในช่วงของ ไม่เฉพาะเทศกาลที่มีการกินเจเท่านั้นแต่ว่าตลอดไปในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะกราบนัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าะเรียนผานสาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมอยากกราบขอความเมตตาพระอาจารย์พบูลเจ้าค่ะที่พระอาจารย์สอนเมื่อวานนี้ว่ากินเจแล้วต้องล้างใจด้วยเช้าวันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สากัะชาว่า เราจะล้างใจอย่างไรดีเจ้าคะ่ะจึงจ ะ, ะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดกันจริงๆเจ้าคะ่าคะคชมค่ะก็พูดถึงการล้างใจนะคือพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ที่สแสวงหาตรงนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นกษัตริย์อยู่เป็นเป็นเจ้าชายน ะ, ะจะทำไงถึงให้ใจสะอาดดีนะพยายามที่จะรักษาสิ่งต่างมันก็ยังมีรู้สึกว่ามีความขุม่นมัวนะมีจุดดําๆอยู่ในใจของเราอยู่ยังมีเครื่องข้องเครื่องมัวหมองอยู่ ก็พยายามที่จะแสวงหาวิธีการล้างใจในสมัยก่อนนูน่นตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณน่นนะเขาก็จะมีพิธีการต่างๆเช่นย่างกิเลส ด, ด้วยไฟด้วยการที่ทําตัวเองให้ลําบากบ้างโดยการประพฤติปฏิบัติหลีกเล่นอยู่ในป่าคนเดียวบ้างอะไรต่างๆนะซึ่งก็เป็นข้อปฏิบัติในสมัยนั้น่ <Okay. S 1> จนกระทั่งก็พบว่ามันไม่ใช่มันมันไม่มันไม่ได้ผลนะ่นะมันไม่ได้เป็นวิธีที่ยังทําจิตให้บริสุทธิ์ได้ก็จึงไป คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเรียกว่ามร์นะมร์นี่แบบเป็นเส้นทางเส้นทางที่ประกอบด้วยความองค์ลกประการมีลักษณะ8อย่างก็คือมร์แปดนั่นเองหนคิดว่าทุกคนท่องได้เลยตั้งแต่เด็กๆสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาอชีวาสัมมาสติสัมมาสมาธินะพวกนี้สมมาวยามะด้วยเป็น8อย่างที่นี้ก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นตรงที่ว่ามร์คืออะไรแยกเป็นยังไงทํำยังไงเนี่ย อันนี้เป็นรายละเอียดที่เราคุยกันมาบ้างแล้วนะประเด็นที่ต้องการทำความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะเราเรามีเจอเพื่อนฝูงบ้างไปทำงานบ้างดูทีวีบ้างกับรถบ้างเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยเราเจอสิ่งที่เป็นความสุขก็มีสิ่งที่เป็นความทุกข์ก็มีใช่ทีนี้พอเราเจอผัสสะที่เป็นความสุขก็มีเป็นความทุกข์ก็มีเนี่ยเราจะเอา มักเนี่ยวิธีการทํางานที่บุญเจ้าบอกชําระล้างใจชําระล้างใจมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่เจอทั้งสุขทั้งทุกเนี่ยเราจะทํำยังไงนี่ยจึงๆต้องการจะแยกแยะประเด็นตรงนี้ให้ทราบก่อนนะค่ะคือประเด็นแรกก่อนก็คือว่าเวลาที่ชีวิตของเราเนี่ยมีมีความทุกเนี่ยนะเวลาที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจนะเช่นคนดา่าเช่นอาหารที่เรากินมีแมลงวนันอาหารเจก็ตามอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ ก, ก็ตามเนี่ย มีแรงวันใส่อยู่เงี้ยนะโอมันเป็นเนื้อสัตว์นี่หว่าแงวันเนี่ยเนาะ <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าดีนะไ ม, ไม่ไม่ชไม่น่าดูชมแล้วไม่ถูกต้องละเราก็เลยจะเป็นทุกข์นะทีนี้ทําให้คนไปเข้าใจว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องละแต่จริงๆแล้วไม่ถูกคุณเตือนใจนะทุกข์เนี่ยไม่ใช่ของที่ควรละนะคือถ้าเราเราทำความเข้าใจให้ถูกนะเราจะสามารถทำความสะอาดจิตของเราได้นะ เราต้องทาความจะเข้าใจในองค์ประกอบกว้างๆก่อนนะคุณืนใจว่าทุกที่เรามีในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ต้องละนะคุณเ ต, นะตือนใจเข้าใจไหมจะต้องทำยังไงดีเจ้าค่ะคือสมมติเรามีความทุกข์เรามีความทุกข์เราอยากมีความสุขแต่เราไม่อยากมีความทุกข์นะเราอยากมีความสุขแต่เราไม่อยากมีความทุกข์นะการอยากมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์เนี่ยคือเรามีความอยากนะเรามีความอยากอยากเนี่ยคือตัณหานะตัณหานี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องละ แล้วความทุกข์ล่ะความทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรอบรู้นะคือหลายๆคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเองฝืนทําไมฉันจะต้องละไอ้นีลน่ละไอ้นั่นละไอ้น่นอันนี้ก็ห้ามไว้อันนี้ก็ห้ามไว้โอ้ยมันมีแต่ข้อห้ามข้อห้ามคําสอนพระพุทธเจ้าทำไมเป็นอย่างนี้ปฏิบัติแล้วรู้สึกมันมันไปไม่ได้แล้วทาไมพระพุทธเจ้าบอกทำความจิตให้บริสุทธิ์ทําไมฉันรู้สึกมันมัวหมองมันติดขัดไปนั่งสมาธิก็หลายรอบแล้วก็ยังตึงๆมึนๆแล้วก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้นะ กินเจเราก็รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนนะเพราะมันรู้สึกฝืนฝืนพอรู้สึกฝืนฝืนมันจะกินแต่ผักก็เลยไปทําข้าวหน้าเป็ดเจบ้างเนี้ยน ะ, ะเพื่อที่จะคลายความทุกข์ของตัวเองเพื่อที่ให้ทุกมันละไปแต่คุณเข้าใจผิดนะเราไม่ได้ต้องการให้ทุกละไปนะคำสอนพระเจ้าถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิคืออะไรคุณตัใจคือความเข้าใจในเรียสัตวสีว่าว่าอะไรนะว่าทุก์เนี่ยเป็นของที่คุณจะต้องรอบรู้ เราบรู้เรื่องตู้นี้เป็นยังไงสมมติคุณเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจสึ่อย่างใดอย่างหนึง่งเช่นแมลงวันในอาหารเจมันกลายเป็นอาหารไม่เจแล้วลเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตของเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วถูกไหมมีความทุกขครอบงาําจิตของเราแล้วเนี่ยคคเราจะต้องทราบไปแล้วว่าเอ้ความทุกข์นี้มีอะไรเป็นเหตุนี่ข้อที่1 น, นะอะไรเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์นี้อ๋อมีภาษะเพราะมีภาษาจึงมีเวทนาเอ้อะไรเป็นผลอะไรเป็นผลของเวทนานี้ โอก็เพราะว่ามีเวทนาจึงมีตัณหานะเพรตัณหาเป็นผลนี่เขา ข, ข, ข้อที่2นะเอะ๊แล้วประโยชน์ของเวทนานี้มีไหมนะประโยชน์ของเวทนาคือสมมุติว่าถ้าเรามีผัสสะได้เกิดขึ้นเป็นสุขก็ตามเนี่ยก็ทําให้เป็นสุขอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ของมันนะโทษของมันมีไหมนะข้อที่4นะนี่คือโทษของมัน ก็คนะือความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเนี่ยเป็นโทษของมันเรามีความสุขอยู่เดี๋ยวก็เป็นหายไปเรามีเราไม่ต้องการความทุกข์เดี๋ยวๆมันก็มาอย่างเงี้ยนี่เป็นความไม่เที่ยงนี่เป็นโทษของมันนะปริชาก็ยังพูดถึงข้อที่5้านะว่าไอลักษณะของของสิ่งนั้นน่ยคืออะไรสมมุติความทุกข์เนี่ยคุณรู้จักไหมว่าความทุกข์ที่อาศัยผัสสะก็มีความทุกข์ที่เป็นอามิต h ก็มีความทุกข์ชนิดที่ไม่เกี่ยวขอยอ้องด้วยเรือนก็มี ความทุกข์ชนิดที่เป็นภายในก็มีความภายนอกก็มีอย่างเงี้ยแยกแยะออกมาให้ได้นั่นคือข้อที่ห้าส่วนข้อที่หก็คือแล้ววิธีนําออกจากความทุกข์มีไหมนะเราก็ถ้าเข้าใจห้าหกอย่างนี่นะชื่อว่าคุณรอบรู้เรื่องทุกแล้วน ะ, อะรอบรู้เรื่องทุกคุณยังไม่ได้ละอะไรเลยนะยังไม่ต้องไลน์ีิไม่ต้องคว้างความทุกทิ้งแต่ถ้าเราเข้าใจความทุกอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าคุณรอบรู้เรื่องทุกเอาโยนทิ้งนี่เอาไว้ก่อนโยนทิ้งนี่เอาไว้ก่อนนะ เพราะถ้าคุณต้องการจะโยนความทุกข์ทิ้งเนี่ยคุณเข้าใจอริยสัจไม่ถูกนะคุณยังมียังไม่มีสมาธิตีที่ถูกต้องนะสิ่งที่ต้องละทิ้งเนี่ยคือคือเขาเรียกว่าตัณห า, าสมมุติว่าอาตมาหยิบแก้วมาอันหนึ่งนะหยิบแก้วมาใบหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องการเวี้ยงแก้วนี้ทิ้งเนี่ยคุณจใจนะอยู่ในมือนะ <c oughs> แก้วถืออยู่ในมือเลยถ้าผู้ฟังลองจินตนาการตามดูปรากฏว่ามีคนเอากาวเนี่ยมาทาแก้วเอาไว้ กาวตาช้างไงนะเราจับ<ท>แก้วมับเข้าไปเนี่ยแล้วมันแห้งเร็วมากมันติดมือเราแล้วอ่ะคุณจะเคลี่ยงยังไงอ่ะเคลี่ยงเคลี่ยงเคลีงเคลีงไปมันไม่ออกอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ติดคามือเออมันติดคามือเราเล ย, ลเลยทุกเนี่ย<โ>เรามีมาตลอดแล้วตั้งแต่ตเกิดแล้วนะความทุกเนี่ยเ ร, เรามีมาตลอดตั้งแต่เกิดแล้วนะภาษาที่เรามีมาตลอดตั้งแต่เกิดแล้วไอ้ขันห้าเรามีมาตลอดตั้งแต่เกิดแล้วเราจะเคลี่ยงไปเคลี่ยงไปเนี่ยคุณเคลี่ยงไม่ได้หรอกนะเพราะมันไม่ใช่ของที่จะต้องละ ของที่ต้องรักคือตันหาตั้งหางไอ้ตันหาเนี่ยคือกาวนี่เองกาวนี่แหละคือยางเหนียวนั่นเองยางเหนียวเนี่ยที่เราต้องรักแต่เราจะละได้ไงอ่ะสมมติคุณจะเขว่งไป ค, คุณเขว่งไม่ได้คุณต้องหาอะไรมาแซก่อนแซ่นี่แซแรงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเนื้อหลุดต้องแซะเบาๆแซะเบาๆเพื่ออะไรให้แก้วมันหลุดออกจากมือแล้วจะค่อยเขว่งมันติ้งไปนั้นกระบวนการการแซะแก้วให้ออกจากมือคือแซะที่ไแซะที่ที่กาวนะ แทที่จุดต่อนะคุณเนใจไม่ได้แสะที่แก้วนะแก้วแตกเดวมือเจ็บอีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องแสะ ต, ตรงนั้นถามว่าคุณแสะแทะเข้าไปนั้นคืออะไรนั่นคือการที่เราไปรอบรู้เรื่องแก้วไงเราไปรอบรู้เรื่องทุกไงนั่นคือการปฏิบัติตามมร์ไงนะถ้าเราอตาตมาเจ้าการจะเปรียบเทียบนะแก้วเนี่ยเหมือนความทุกข์นะก้วเนี่ยเหมือนตัณหานะไออาการที่เราไปแทะแทะเนี่ยนั่นคือมร์ที่เราต้องปฏิบัติตามนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติตามมร์นะคุณไม่ได้ว่า ทำเครื่องแก้วทิ้งเลยแต่คุณพยายามที่จะละไอ้เจ้าตัญหาพยายามที่จะรอบรู้เรื่องของแก้วนั่นเองรอบรู้เรื่องของความทุกข์นั่นเองนะความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่คุณละความทุกข์เป็นสิ่งที่คุณรอบรู้นะต้องพูดอย่างนี้ <Okay. S 1> การจะรอบรู้เรื่องความทุกขนะ์ก็คือการที่เรามารู้ว่าเอ้ยประโยชน์ของมันมีไหมโทษของมันคืออะไรนะอุบายการนำออกคืออะไรเหตุเกิดคืออะไรผลของมันคืออะไรแค่นี้เองห้าหกอย่างนะ <c oughs> คือบางคนหลายๆคนเนี่ย ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่รู้คําสอนพระพาเนี่ยจะรู้แค่อย่างเดียวเช่นรู้ประโยชน์ของมันนะรู้ประโยชน์อย่างเช่นคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ม า, มากินอาหารอย่างนี้เขาโฆษณากันมากเหลือเกินอาจทําตามมันมีความสุขทุกคนย่อกย่องรู้แต่ประโยชน์ของมันโดยไม่เห็นโทษ น, นะพอเรารู้ด้านเดียวเนี่ยจึงทาให้เรามีความกําหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลิ น, ลนมัวเมายกย่องสรรเสริญไปในสิ่งนั้นพอคุณกําหนัดเพลิดเพลิ น, ล น, ลนมัวเมาเนี่ยคุณติดกับละนะคือกาวเหนียวเหนึบติดเลย พระมันเสื่อมไปเมื่อไหร่อ้าวก็เลยเริ่มเป็นทุกข์นะ <Okay. S 1> เป็นความทุกข์จริงๆปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องแทนที่จะต้องมาละความทุกข์แต่เราทําความเข้าใจความทุกข์ดีกว่านะเพราะอะไรเพราะเมื่อเราทำความเข้าใจความทุกข์นะคุณเตือนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเราจะมีความเบื่อหน่ายในความทุกข์นั้นเพราะเบื่อหน่ายแล้วเราจะคลายกําหนัดนะเพราะคลายกําหนัดแล้วเราจะปล่อยวางได้นี่แหละคือประเด็นนะเพราะ mm hmm. ปล่อยวางได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไป มีหลายหลายคนเนี่ยมาถามมาตมาบอกว่าท่านทำไมโอ้โหล ะ, ะงานการบ้านเรือนครอบครัวความสุขทั้งโลกมาบวชอยู่อย่างนี้โอมั น, ม, นมันท่านละได้ไงทําไมฝืนอย่างนี้แล้วจิตใจเป็นยังไงไม่อยากซึกร้ออะไรต่างๆนี่นะเจ้า ค, ค่ะเจ้าค่ะเป็นคําถามที่พระเจ้าโดนถามอยู่บ่อยเลยพระเจ้าองค์หนึ่งที่เป็นครองเมืองเวรุวันเนี่ยตอนนั้นเป็นกษัตริย์กําลังจะได้รับการมุทภาพิเศษเนี่ย ก็เคยมาเสนอพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตย์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นสมมาสมบุริยานนะเสนอให้ครอบครองเมืองด้วยกันนะคือคือเสนอให้ศึกเอามาเนี่ยแล้วก็มาครองเมืองดีกว่านะ<ช>อยา่าไปบวชเป็นพระเลยว่าอย่างนั้นนะพรุทธเจ้าไม่ได้อ่าไม่ได้สนใจตอนนั้นเป็นโพธิสัตย์อยู่นะแต่ว่าปรารถนาสมมาสมบุริยานนะแล้มากำลังจะบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องฝืนมาปฏิบัติโอ้กินเจนี่ฉันฝืนเหลือเกินพราะอื่นพราะอมจนต้องหาอะไรที่มัน มาครเวทนาลิท่มันเหมือนเหมือนเนื้อสัตว์เป็นต้นอย่างนี้นะ <c oughs> แสดงว่า <c oughs> แสดงว่าในจิตคุณยังปฏิบัติไม่ถูกนะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ <c oughs> จําเป็นจะต้องละอะไรเราไม่ได้จาเป็นจะต้องฝืนอะไรเพียงแต่เราเห็นสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยด้วยความรอบรู้เรื่องของมันนะให้เห็นทุกแง่มุมว่าไงเถอะนะรอบรู้ <c oughs> สิ่งที่เราอยู่กับมันนั่นแหละนะคุณอยู่กับภรรยาหรือสามีที่ขี้บ่นใช่ไหมคุณรอบรู้เรื่องนั้นได้ไหมนะบ่นเหตุจากอะไรมันบ่นนี่คืออะไรเอาบ่นคือภาษา นะเอยผลของการบ่นคืออะไรอ๋อจะ ม, อมีเวทนาแล้วมีเวทนาจะเกิดอะไรโอ้จะมีตันหานะาการบ่นนี่มีอะไรบ้างาบ่นเรื่องนี้ก็มีบ่นเรื่องนั้นก็มีประโยชน์ของการบ่นมีไหมาการบ่นที่มันเป็น เ, เหตุผลที่ถูกต้องก็มีไอ้บ่นที่มันบ่นทำให้เราเบืออ่อเฉยๆก็มนะีถ้าเราพิจนารณาเห็นตรงนี้ไปเรื่อยๆเนเชื่อว่าคุณเห็นตามที่เป็นจริงนะอเ <He S 2> ห็นตามที่เป็นจริงนะคุณตน่นใจไม่ธรรมดานะแล้วคุณไม่ต้องว่าไปวัดหลับตาดูหนังตานั่งให้มันปวดขา หรืออะไรล่ะเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแล้วเราก็เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงโดยแง่มุมต่างๆของมันนะแล้วเราไม่ต้องฝืนปฏิบัติแสด่งที้สิ้นเลยแล้วเราก็แค่เห็นตามที่มันเป็นจริงเห็นท้องฟ้าเห้นท้องฟ้าเป็นอะไรข้อดีของมันคืออะไรข้อเสียคืออะไรเหตุของมันคืออะไรผลของมันเป็นยังไงจะหลุดออกมันได้ยังไงเห็นแม่น้ําก็อย่างนี้เหมือนกันมีปัญาหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตลูกน้องไม่ดีก็เห็นอย่างนี้เหมือนกันเจ้านายเลื่อนตําแหน่งให้อะก็อย่างนี้เหมือนกัน เราเห็นไปอย่างนี้เห็นไปอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิงของเราก็คือเราจะมีความเห็นตามที่เป็นจริงนะพอเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่ไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งกุญแจใจเบื่อเซ็งคือเบื่อเซ็งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าคุณเบื่อสิ่งนี้คุณก็ไปยึดสิ่งใหม่โอ้โทรศัพท์เครื่องนี้เบื่อละไปเปลี่ยนเครื่องใหม่มน ะ, น ะ, ะบางทีเครื่องใหม่รุ่นใหม่ ย, ยังไม่ออกก็อยากจะทิ้งเครื่องนี้ซะแล้วอย่างเงี้ยหนะรือแฟนคนนี้เบื่อแล้วเปลี่ยนแฟนใหม่ รถคันนี้เบืแล้วเปลี่ยนรถใหม่อาการเบื่อๆ อ, อย่างเงี้ยคือเบื่อแล้วคุณไปยึดสิ่งใหม่แต่<ไ>ที่<ต>อาจารย์ากรองพูดเนี่ยคือ น, นิพิทาคือความเบื่อหน่ายผู้เช่าใช้คำว่านิพิธายาณถ้าจะพูดให้ถูกก็คือความหน่ายก็แล้วกันหน่ายาความหน่ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะปล่อยวางาแต่เบื่อเซ้งเนี่ยปล่อยแล้วจ ะ, ะเบื่อแล้วจะไปยึดสิ่งอื่นแต่หน่ายเนี่ยปล่อยแล้วคือปล่อยเลยไม่ยึดอีกพอหน่ายแล้วนิพิธาแล้วเนี่ยก็จะมีความปล่อยวางนะปล่อยวางได้เนี่ย ความทุกข์ก็หมดไปแตนะ่สิ่งนั้นก็จะไม่เป็นความทุกข์ของเราอีกต่อไปนะแตนะ่ความทุกข์ของเราจะค่อยๆลดลงไปลดลงไปนะและถ้าเราประพฤติพรมรมเนี่ยหรือเราปฏิบัติธรรมก็ตามเรากินเจก็ตามเนี่ยเราจะไม่รู้ฝึกว่ามันจะต้องฝืนอะไรเลยนะ <Okay. S 1> เไปไปตามธรรมชาติเพราะว่าเราปล่อยแล้วนี่นะคนปล่อยแล้วมันไม่ได้ติดอีกแล้วแ ต, แต่ถ้าเรายังปล่อยไม่ได้แล้วพยายามฝืนว่าต้องทิ้งต้องละต้องไม่โอ้มันมันยากนะมันจะฝืนมากเลยมันจะมันจะไม่ได้อะ สุดท้ยคุณก็กลับไปหามันอยู่ดีอย่างคนที่ต้องการจะเลิกสุมบุรีอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องการกินเจเพอกินเจได้สามสี่วันอ้าวเจแตกเจแตกก็มีนะเดียนี่มีเยอะจังเพราะอะไรทนไม่ได้อ่ะโหนี้มันยั่วยวนเหลือเกินีแต่ก็ก็กินไปซึ่งแสดงว่าคุณยังไม่เห็นความทุกเนี่ยอตามที่เป็นจริงคุณพยายามจะละมันจท้ายคุณละไม่ได้เราไม่ได้ต้องละความทุกเลยแต่เราเห็นทุกตามที่เป็นจริงด้วยการรอบรู้เรื่องทุกข์นะ พอเราพยายามที่จะรอบรู้เรื่องทุกข์นั่นแหละคือกระบวนการการทําความสาจิตแล้วคุณเดินตามมาักแล้วแค่นี้เองอจแต่ถ้ากลับการนั้นในทางกลับกันคุณไปพยายามที่จะละความทุกข์แสดงว่าเราไม่ได้เดินตามมาักนั้นนะ่ะเราเราแบบเดินเป๋ๆนิด น, นึงเดินไม่ถูกทางอไอ้สิ่งที่ละเนี่ย ค, คือตัณหาตังหาไม่ใช่ทุกข์ทุกข์เนี่ยเราต้องกําหนดรู้รอบรู้เรื่องนั้นนะ่ะ แนวแม่กำหนดรู้เนี่ยจะเป็นภาษาพระมากไปหน่อยเอารอบรู้รอบรู้ก็ยังไม่ป้นประตูวัดอยู่ดีเอาให้มันแตกฉานคือรู้ทั้งแง่มุมนี้แง่มุมนั้นแล้วก็แง่มุมโน้นะนะะเราเห็นไปบ่อยๆเห็นไปบ่อย ๆ, ๆ, ๆเนี่ยทําไปบ่อยๆเนี่ยเราจะปล่อยวางเราจะหน่ายได้แต่พอหนายได้เราจะปล่อยวางได้อืเจ้าค่ะ อ, อันนี้คงจะเหมือนที่ภาษาอย่างชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะที่โยมเคยได้ยินก็คือว่าความทุกข์เนี่ยมีไว้ให้เห็น แต่ไม่ได้ไว้ให้เป็นนะเจ้าค่ะใช่ให้เห็นว่าไม่เป็นทุกอย่างนี้อย่างนีอย่าอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะแต่ไม่ได้ว่าให้เรามาเป็นทุกอืมใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องทีนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาจับขึ้นมามาเป็นเป็นตัวเราของเราต้องปล่อยเจ้าค่ะใช่ปล่อยวางซัจ้าใ่วิอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่าคนไทยเนี่ยใช้จับคํานี้มาแล้วให้ปล่อยวางนะอันนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะ แ ม, ม่มันพูดง่ายในหะนังสือเนี่ยพูดง่ายใช่พูดง่ายมาก ๆ, ๆเลยคนต้นใจแต่เวลาเขาด่าลงจริงเวลาเจอปฏิสัตยที่ไม่น่าพอใจจริงเวลาอาหารจานนี้มันมาล่อเราจริงๆเนี่ยนะแหมจเจมันจะแตกอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันอดไม่ได้จริงๆนะเจ้าค่ะมันอดไม่ได้นะปลายว่างปลายว่างโอ้ยพูดได้เฉยแต่พอเจอปุกกรฟาดโหลดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยก็เลยแตกอะเจ้าค่ะเพื่อนถามว่าเอ๊ะแล้วเราทำไงนะจึงจึงเราข้ามขั้นตอนไปนิดนึงไง นะที่คุณตัใจบอกว่าเออทุกเนี่ยให้เห็นแต่อย่าไม่ให้เป็นเนี่ยคือคุณจะไม่เป็นทุกได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณเห็นทุกนะพอคุณเห็นทุกได้เนี่ยคุณจะปล่อยวางความทุกนั้นได้ปล่อยวางความทุกได้ก็คือตัวคุณกับตัวทุก์มันคนละอ่านกันอืมเจ้าค่ะพอมันคนละอ่านกันน่ะคือชื่อว่าคุณควางทิ้งแล้วคุณไม่ถือเอาแล้วคุณทําไม่กระเจากระจายแล้วคุณไม่ทําให้เป็นกองละคุณไม่ใช่ตัวของเราของเราละมันแยกกันไปละกายกระเจแยกเป็นคนละอ่านล่ะเจ้าค่ะอืม อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราโดยตรงเลยนะเจ้าค่ะใช่นี่ ค, คือกระบวนการที่ทําจิตให้เป็นให้บริสุทธิ์นะตอนนี้คนที่รับทานอาหเจก็ตามหรือคนที่ฝึกปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาในวัดในวาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราพยายามที่จะฝืนในการปฏิบัติเนี่ยหรือฝืนที่จะรับประทานสิ่งนี้ไม่รับประทานสิ่งนั้นฝืนในการที่จะไม่สูบบุหรีแต่ก็ต้องฝืนอยู่ฝืนในการที่จะเลิกเล่าแต่ก็รู้สึกฝืนอยู่เนี่ยเราจมาขอให้ลองแทนที่คุณจะต้องฝืนคุณไม่ต้องฝืน นะแต่ก็ไม่ใช่ไปกินนะแต่ให้เห็นเออไอเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันอะไรกันแน่แนะคุณเห็นตรงนี้ไหมนะบางคนไม่เห็นเพลอสติเพลิดเพลินไปเลยนะก็ก็พลาดไปนะตกเป็นเหยื่อของกามตกเป็นเหยื่อของมาร น, นะมารมันวางกับดักเราไวานะ้นะทุกค่ะทีนี้พอเราไม่เผลอสติไปเนี่ยเราก็เสร็จมันละทีนี้เราต้องพอเกิดความไม่พอใจในจิตแล้วปุ๊บปบ๊คุณจับให้ได้เห็นมันให้ดี เอ้มันเกิดมาจากอะไรเหตุเกิดของมันคืออะไรนะผลของมันเป็นยังไงนะโทษของมันคืออะไรประโยชน์ของมันมีไหมวิธีแก้คืออะไรนะเราเห็นแค่ 3- 4อย่างเนี่ยนะเราชื่อว่ารอบรู้เรื่องทุกข์นะ<จ>พอเรารอบรู้บ่อยๆทําบ่อยๆคุณตอรใจซ้ําอีกครั้งทำบ่อยๆนะเราจะเบื่อหน่ายนะเราจะมีความหน่ายหน่ายเนี่ยจะนําไปสู่การปล่อยวางนะปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์ เราก็จะไม่เป็นทุกข์เราก็จะไม่ฝืนที่จะต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เ, เรื่องนี้มามีประสบการณ์จริงๆมากเล ย, ยเช่นเราตื่นสายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตื่นสายตื่นสายตื่นสายเออรู้รสึกฝืนตัวเองมากเลยทำไมฉันจะต้องตื่นเชา้าตีสามต 4, ขึ้นมาทําอะไรมันฝืนตัวเองแต่เรามาเห็นจับเวทนาที่เกิดขึ้นในจิงของเราตอนที่เราจะตื่นได้เอตอนที่เราจะตื่นเนี่ยมันมีเมทนาอะไรเกิดขึ้นมันเป็นทุกขเวทนานะมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่ ที่ที่คนที่ตื่นตีห้ามาฟังธรรมะแล้วก็อาจจะนอนอยู่เนี่ยก็จะทราบอยู่น ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นสิ่งนั้นน่ะตามที่เป็นจริงเราจะพูดภาษาธรรมะนิดนึงก็คือรอบรู้เรื่องนั้นน่ะเห็นมันทุกแ ง, ง่มุมนะไม่ใช่เห็นอย่างเดียวโอ้อันนี้เป็นความความง่วงน ะ, ะต่อไปเลยเพลินไปแล้วไม่ใช่นะโทษของมันคือเราต้องเห็นประโยชน์ของมันมีไหมเราต้องรู้ในเหตุเกิดของมันมาจากอะไรเราต้องเป็นเราต้องเข้าใจ นะแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นยังไงเสร็จแล้วเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็น3าวันสวันติดกัน5วันสิวันต่อการเดือน12เดือนต่อการปี1นึปีต่อกันนะเราจะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในสิ่งนั้นอย่างทําไมหลา ย, ลายๆคนเนี่ยมีของเล่นเด็กคุณตนใจเช่นตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาตุ๊กตาหรือว่าตัวเกียร์ลูกลอกเนี่ยนะลูกข่าง <c oughs> ลูกหินอย่างเงี้ยนะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ได้เล่นสิ่งนั้นแล้วนะ คุณไม่ล่นเล่นสิ่งนั้นแล้วนะอย่างเล่นเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยเล่นมอข้าวมอแกงขายมอข้าวมอแกงอันนี้ฉันตักข้าวแกงให้นะจายละหบาทอย่างเงี้ยซึ่ง <c oughs> ซึ่งพอเราโตขึ้นมาเราก็รู้ว่าอัออนนี้มันเราเห็นโทษของมันหมดแล้วอะ่ะเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิด อ, อะไรเป็นผลของมันนะอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงเนี่ยมันก็เราจึงปล่อยวางได้ทันทีโดยไม่รู้สึกว่าจะต้องฝืนว่าฉันจะไม่เล่นของเล่นก็ได้แต่ถ้า <c oughs> ยังเป็นเด็กๆอยู่นี่นะ ให้เขามากินข้าวให้เขาเลิกเล่นให้เขาไปทำการบ้านเนี่ยเขาไม่ยอมเลยน ะ, ะ, ะเพราะมันรู้สึกฝืนไงเจ้าค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่คิดว่าทุกคนจะเห็นได้นะว่า เ, ออเราไม่ต้องฝืนนะเราให้รอบรู้นี่ถึงจะถูตกต้องเจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆเลยนะเจ้าคะที่พระอาจารย์ภัยบูลได้เมตตาสากฉามาหรือว่าชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบถึงวิธีการที่ว่าเราจะล้างใจเราได้อย่างไรในช่วงที่เรากินเจด้วยคือร่างร่างกายใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องทีนี้มีประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าอย่างเรื่องของศีลเนี่ยที่เราพยายามที่จะไม่ฆ่าไม่ลักขโมยมีการไม่ฆ่าเป็นต้นอย่างนี้นะถ้าสมมุติเรายังมีความจําเป็นที่จะต้องฆ่าอยู่เนี่ย แล้วรู้สึกว่าการที่ฉันจะต้องไม่ฆ่าเนี่ยนะอย่างคนที่ประกอบอาชีพในการค้าขายเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค้าขายเนื้อสัตว์นี่อาจจะไม่ได้ฆ่านะแต่ว่าแค่ค้าขายเฉยๆนะคะ ข, า, ขายเนื้อสัตว์นี้พระเจ้าก็ให้ดีกเลี่ยงนะทีนี้อย่ง <c oughs> พวกที่ค่าสัตว์อยู่เนี่ยบางทีอาจจะต้องรู้สึกว่าจะฝืนถ้าตัวเองจะไม่ได้ทําหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นความผิดจริงๆฉันต้องมาฆ่าไอ้ทําไงจิตใจไงฉันไม่อยู่ไม่เป็นสุขเลยท่านลาออกก็ไม่มีเงินถ้ายังทําอยู่ก็ผิดศีล โอ้ยมันเหมือนกับติดใจมันจะแยกออกจากกันติดจะแตกออกมากันเถอะนะเจ้าค่ะก็คือต้องทําความเข้าใจตรงนี้ว่าก็อย่างที่บอกใช้หลักการเดียวกันเลยนะว่าเราจะต้องรอบรู้เรื่องความทุกข์นะคุณดูสิว่าจริงของคุณเป็นยังไงนะตอนที่คุณไม่อยากจะฆ่านะแต่คุณจําเป็นต้องทำนะมันก็ก็เป็นอันเดียวกันมันจะต้องมีเวทนาเกิดขึ้นแน่นอนนะพระเจ้าบอกว่าเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีะสัมมากรรมันตะ เวทนาเกิดขึ happen, so year, so, problem, the we Or, ้นเพราะมีมิจฉากรรมันตะมีทั้งนั้นถ้าคุณจะฆ่าสัตว์ก็มีเวทนาเกิดขึ้นคุณจะไม่ฆ่าสัตว์ก็มีเวทนาเกิดขึ้นในเวทนาเกิดขึ้นตรงนี้มีอะไรเป็นเหตุเราต้องเข้าใจก่อนอ๋อภาษาเป็นเหตุในภาษาในที่นี้คืออะไรคือการฆ่าและการไม่ฆ่านะผลของเวทนาคืออะไรอาอจะมีตันหานะเราเวทนานี่มีประโยชน์ยังไงอ๋อมันทําให้เราเป็นสุขได้แล้วมีทุกโทษยังไงคือมันหายไปได้นะเราเห็นว่าไอ้วิธีทางออกจากเวทนาคืออะไรคือการตามทำตามมาร์กแ เราสังเกตเห็นมันทุกแง่มุมอย่างนี้นะคุณจะสังเกตเห็นมันทุกแง่มุมได้เนี่ยคุณจะต้องมีสติก่อนน ะ, ะมีสติสังเกตเห็นปุ๊บนะเราจับได้ปุ๊บเราดูบ่อยๆดูบ่อยๆเราจะล่าไดนะ้เราก็คือถ้าเบิดว่าเรายังทําศีลข้อนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะเราก็ไปทําข้ออื่นก่อนนะคุณไม่ลักขโมยได้ไหมคุณไม่ดื่มเหล้าได้ไหมคุณไม่ประพฤติปิดทางการไม่พูดโกหกได้ไหมนะข้ออื่นข้อไหนทําได้เราทําไปก่อนเลยคือมันก็ยังดีกว่าที่พยายามจะมาติดอยู่ข้อเดียวนะ เจ้ค่ะ อ, อันนี้พระอาจารย์พูดก็หมายถึงพวกที่มีอาชีพจริงๆที่ว่าเขาจะต้องฆ่าสัตว์นะเจ้าค่ะใช่ใชเพราะว่าไม่ไม่มีอาชีพพวกนี้ก็ทําให้มนุษย์เราเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาหารรับประทานเช่นเดียวกันแต่นั้นถือเป็นความจําเป็นของเขาที่เขาจะต้องทําอาชีพนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ให้ทําสินข้ออื่นให้ให้บริสุทธิ์บบูซะอ่าใช่เจ้าค่ะคงจะเหมือนกับว่ามันมีเกลือ อยู่ในน้ำเนี่ยเจ้าค่ะเราก็พยายามทำน้ําให้เยอะให้เป็นแม่น้ําเจ้าพญาไปซะหรือแม่น้ํำคงคาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดังนัในความผิดของเราในเรื่องของการจําเป็นต้องฆ่าสัตว์เพราะเป็นอาชีพของเราเนี่ยก็เหมือนเกลือมันก็จะไม่แสดงผลมากใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ตัวอย่างที่คุณต้ใจพูดเนี่ยเป็นอุปมาอุปไม้ที่ผู้เช้ายกเอาไว้นะคือเกลือเนี่ยเปรียบเสมือนบาปกรรมที่เราได้ทําเอาไว้นะในกรณีนี้มีการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะบาปกรรมพวกนี้ต้องให้ผลแน่นอน ทีนี้แบบกรรมที่จะให้ผลเนี่ยเวลาให้ผลเนี่ยถ้าผมว่าเรายกตัวอย่างพระเจ้าเปรียบเทียบกับการเอาเกลือเนี่ยประมาณสักประมาณหนึ่งเนี่ยมาละลายลงในนในแก้วหนึ่งนั้นถ้าเราชิมดูเนี่ยมันก็จะเค็มแต่ถ้าเราเอาเกลือปริมาณเท่ากันเนี่ยไปละลายในแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำเจ้าพริยาเป็นต้นเนี่ยนะปริมาณน้ําของมันมากจริงๆทาให้รสชาติของแม่น้ำเนี่ยก็ไม่ได้เค็มขึ้นมาเท่าไหร่หรือไม่เค็มเลยหายไปเลยไอปริมาณน้ำเนี่ยก็เปรียบเสมือนความดีที่เราตั้งใจกระทํา นะถ้าเรามีความดีมากอผลกรรมของความชั่วที่มันจะให้เนี่ยมันก็จะให้ผลน้อยหรือกลายเป็นอโหสิกรรมเป็นไม่ให้ผลไปนะที่ที่เป็นหนักๆ ก, ก็จะกลายเป็นเบานะที่เป็นเบาๆอยู่ก็จะกลายเป็นไม่มีไปอย่างเนี้ยเจ้าค่นะอันนี้ก็ถือเป็นแง่คิดที่ดีมากๆสาหรับท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะเรามีเวลาเหลืออยู่ในรายการประมาณสองนาทีเจ้าค่ะ ขอความเมตตาพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนโฝากแง่คิดสําหรับการสนทนาหรือสาัาชกาของเราในเช้าวันอาทิตย์นี้เลยเจ้าค่ะนิมนเจ้าค่ะสรุปถึงการทําจิตให้บริสุทธิ์นะพระเจ้าพูดถึงเรื่องของมักนคือมักแปนั่นเองมักแปเนี่ยแยกเป็น8อย่างแล้วิธีการปฏิบัติ ท, ทําอย่างไรนะก็คือได้พูดถึงว่าเราไม่ต้องฝืนนะเราไม่ต้องฝืนที่จะละความทุกข์หรือว่าให้ไม่เห็นว่าเป็นตัวเราเห็นความไม่ที่อันนั้นมันก็อย่างหนึ่งนะเราต้องทําอยู่ แต่ที่เราไม่ต้องฝืนก็คือว่าเราให้เห็นสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยต า, ตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงนี่เห็นยังไงก็คือเห็นว่ามันเหตุเกิดอะไรผลมันเป็ น, นยังไงแง่มุมต่ตางๆของมันเป็นยังไงโทษของมันคืออะไรประโยชน์ของมันคืออะไรแค่นี้เองเราทําไปทําไปทําไปทําไปทําไปทําไปเราจะ à, มีความหนาดหนาแล้วเราจะคลายกําหนัดคลายกําหนัดแล้วจะปล่อยวางได้เพราะเราปล่อยวางได้เท่านั้นน่ยทุกนั้นก็จะหมดไปพอดี เป็นธรรมชาติแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องฝืนอะไรนะเป็นธรรมชาติไปในตัวนะมปนอย่างางที่เราละของเล่นเด็กๆที่เรามีอยู่ได้นะเราก็ทำด้วยความสบายใจก็อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยธรรมะคือคือชีวิตประจาวันนั่นเองอืมเจ้คาค่ะก็คือทางที่เราจะทำอะไรโดยที่เรารู้ในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรแล้วเราก็าสามารถที่จะปล่อยวางได้จริงๆนะเจ้คาค่ะไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะเจ้าค่ะใช่ <No. S 2> เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็คงจะได้รับแง่คิดดีๆจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโลแล้วนะคะว่าหนทางหรือมากที่จะทำให้เราได้ล้างใจของเราให้สะอาดจริงๆไปพร้อมกับการกินเจหรือว่าร้างร่างกายนั้นมีอย่างไรบ้างก็จะต้องยึด อริยสัจสี่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นะคะก็จะทําให้เราได้เห็นทุกขเข้าใจทุก์อย่างแท้จริงแล้วก็สามารถที่จ ะ, ะเบื่อหน่ายคลายจางังแล้วก็ละวางทุกขนั้นได้จริงๆนะคะค่ะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้นะคะเรามากราบน้บัสการลาแล้วก็อาทิตย์หน้า เสาร์อาทิตย์หน้ากลับมาสากาักษารับฟังพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาจงนจังหวัดอุดรธานีได้สกักษาเกี่ยวกับธรรมะดีๆที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เป็นอย่างดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบน้ำสการขอพระคุณและกราบน้ำสการลาพระอาจารย์ภพยบุญอภิปุโนและพระเดพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดิทโทพโศท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบน้ำสกานลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา สาธุเจ้าค่ะ